เรามาไกลก็ต้องเอาโลกุตะระสิสระเราจะหาเอาโลกีเราก็เอาอยู่ที่กรุงเทพมันก็ท้องไปนี่เรามาไกลเราก็ต้องเอารั์โลกุตะระรับโลกุตะระพับมันดึงโลกีขึ้นได้เหมือนน้าอะไรเหมือนอากาศมันดึงน้าขึ้นในอากาศได้เหมือนเข็มเ ท, มทียดเหมือนเ ท, ทียดเหนือมันดึงเข็มเทียดขึ้ น, นได้เหมือนน้าห้อยน้องคืองบางต่างๆมัน ดึงนา้ามหาทุตมันเหมือนนา้ามหาทุตสมุทรทะเลมันดึงน้าให้น้องคลองบึงบางต่างๆอะไรลงสู่ได้พราพุทธศาสนาไม่มุ่งโลภุตระแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าถ้ามุ่งโลเกียร์อยู่ที่ไหนมันก็มุ่งกันแล้วเนี่ยนางงามนางงามในทางวัพุทธศาสนาชายงามในทางวัพุทธศาสนาไม่ไม่เลือกชั้นวันลนะ ไม่เรียกผู้น้อยผู้ใหญ่สามีกิปฏิปนันโนเป็นนางงามเป็นชายงามชั้นที่หนึ่งยายะปฏิปนันโนเป็นนายงามเป็นชายงามนางงามชั้นที่สองอุชุปฏิปันโ น, าา น, ปปนเป็นนายงามนางงามชั้นที่สามสุปฏิปันโนเป็นนายงาม ชั้นนางงามชั้นที่สี่สุภเด ป, ปนโนตามก่อนนั้นลงมาจะเป็นนายงามจั ก, กรวาลก็าตามนางงามจั ก, กรวาลก็าตามก็คือนางงามชายงามบรนเทิงกิเลสพวกเราชาวพุทธอย่าไปยินดีในทางนุ่งน้อยห่มน้อยเนอะมันเสียเกียรตินอถ้ายินดีในทางนุ่งน้อยห่มน้อยนะนานเข้านานเข้าเขาจะยินดีในการไปนุ่งผ้ากันละถูกไหม ผมเห็นดีว่าไม่ต้องนุ่งมันเปลืองเดี๋ยวจะพูดอย่างนั่นแนะ่ะแต่อายกิเลตมันก็หัวเราะอะทีนี้มันก็เต้นระบำอายกิเลตทางธรรมะก็อ่อนข้อพินหลังใส่ทีนี้คนอื่นจะทำาก็ตามแต่เราชาวพุทธอย่าไปยินดีชาวพุทธไปยินดียางนั่นแ่ะเสียเกียรติเสียยศเสียสถาบันของ จ, จิตใจ สถาบันของพุทธศาสนาก็คือคจิตใจสถาบันของบาปก็คือใจเหมือนกันสถาบันของมิจฉาทิฏฐิก็คือใจสถาบันของพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สูงคือคจิตใจที่ประพฤตในทางธรรมะของพุทธศาสนาที่นี่จะมีธุรอะไรก็ทำเช่นก่อนจึงพูดกันใหม่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรารถมา มีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างก็ปรับมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกความประสงค์ได้ครัได้เราจะดําเนินชีวิตในนิยามเป็นสุขครับเออดาเนินตามคําสอนของพระพุทธศาสนาก็เป็นสุขสุขของเครือขัดมีอยู่สี่อย่างหนึ่งสุขเกิดแต่ความมีทรัพสองสุขเกิดแต่จ่ายซับบอร์ธิโภค 3สุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นสินสีสุขเกิดแต่การงานที่ทำปาฏิจักโทษสุขในคราวาสสุขในบรรพชิตสุขในพระพุทธศาสนาสุขในโลกุตรละสุขถึงพระสสดิบันสุขถึงสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันต์อันนี้เป็นสุขในทางโลกุตรละ เมื่อเป็นุกในทางโลคุตระแล้วมันดึงโลกีไปด้วยเน<ะ>ี่ยฮะไนามีอยู่คนจ้านอไม่กลก็ผีมาหลอกอางีผีมาหลอกอย่างนั้นเนี่ยเวลานอนถ้านอนเอามือ ข้างอกนี่ก็มักจะเป็นถ้านอนหมอนหนุนหมอนต่ำก็มักจะเป็นเพราะเลือดขึ้นหัวเอามือมาข้างอกนี่ก็มักจะเป็นต้องเอามือวางไว้ที่อื่นนอนหับคาภาวนาไม่มีผีคนนอนไม่ภาวนาผีมาหานอนคาภาวนาพุทธโทไม่มีผีหรอกพ่อพับลมให้ใจเขาออกผู้นอน ไม่ภาวนาเรียกว่านอนไม่เป็นผู้นอนเป็นเรียกว่าหลับคาภาวนาภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่สมมุติว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่งอยู่นี่นั่งอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยมันก็บมเรื่องไม่มีดอกผีเราไปนึกล่องเรียกมันมามาให้กลัววิธีระงับความกลัวของถือผีมันก็มีลหลายอย่างกลัวผี เมื่อจิตไปนึกถึงผีจิต ก, ก็ไม่กลัวถ้าจิตฉลาดทําไมจึงไปนึกถึงเรื่องกลัวมาอันนี้เอาสดสดก็ได้อสมบัติของจิตมีแต่กลัวผีนั่นหรือสมบัติของจิตมีหลายอย่างเราไม่ได้นึกถึงกลัวมันก็ไม่กลัวเนี่ย <c oughs> ถ้าจิตฉลาดทําไมจึงไปทําให้ตนกลัวอันนี้ก็เอาสดสดก็ได้แต่ก็มีหลายอย่างทีงไ่ไม่กลัวนะนึกถึงคุนวัฒน์พระธรรมประสงค์ เ น, นะอันอื่นไม่มีหลเธอทั้งหลายไปอยู่ป่าก็ดีเธอทั้งหลายอยู่บ้านก็ดีเมื่อเธอนึกกลัวแล้วเธอจึงระ ล, ลึกถึงคุนพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันใดอันหนึ่งความกลัวก็จะหายไปในชักทชักฆ่าสูตรบอกแล้ว เอวัมพุทธังสรันตานงธรรมังสร้างคัญจะภิกขะวพยังวาชั่มพีตัดตังวาโรมหังโซนเหตุสติติผู้ใดระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันใดอันหนึ่งอยู่ความกลัวของเธอก็จะหายไปชีงเหตุเหตุที่จะให้เกิดกลัวของเธอก็ไม่มีพระบรมศาสน า, ศาบอกไว้ในทักกสูตแล้วที่ีปาลบอะไรอีกที่ พูดดังๆหน่อยนั่งสมาธิดานาแล้วก็หายใจไม่ออกแน่นนะหกบางคน เ, เราก็ตอบอยากเ่ยเพราะเราไม่เคยเป็น <laughs> เราไม่เคยเป็นเราก็ตอบอยากเราจักตั้งจิตหายใจเข้าเราจักตั้งจิตหายใจออก เราจักทำจิตบันเทิงหายใจเข้าเราจักทาจิตบันเทิงหายใจออกเราจักรู้แจ้งจิตหายใจเข้าเราจักรู้แจ้งจิตหายใจออกเราจักเป็นสุกกายสุกใจหายใจเข้าเราจักเป็นสุกกายสุกใจหายใจออกเราจักตั้งจิตหายใจเข้าเราจักตั้งจิตหายใจออก เราจะตั้งสติหายใจเข้าเราจะตั้งสติหายใจออกเราจะพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าเราจะพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกเราจะพิจารณาเป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นหายใจเข้าเราจะพิจารณาเป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นหายใจออกเราไปหายใจเราไม่อยู่ในกรรมฐานเดิมนี้จากกรรมฐานเดิมเราไม่เคยเป็น เราก็ตอบยากอันนี้หายใจฝืดอย่างนั้นเล ม, มันไม่ใช่บุปกรรมไปบีบคอเขาดิห้เป็นดอกยังไงก็าช่างมัญญานี้จากอาจารย์เดิมย่านี้จากอาจารย์เดิมให้เชื่อจะอาจารย์เดิมกาารมกรมฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองเป็นอาจารย์เดิม เราอย่าไปวันวันไหวไปทางอื่นกรรมฐานที่เตาเราตั้งไว้สําคัญมากเราต้องมีสัตว์ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ต้องมีกรรมฐานในต้องมีอธิษฐานในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัจจะความจริงใจคือประพฤติกรรมฐานสิ่งใดก็ให้ได้จริงจาระสระสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ความจริงใจ ฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมาฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมาฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใยในกรรมาฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมาฐานที่ตั้งไว้คุณสีอย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมาฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเลือกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อยู่ที่แห่งเดียวทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยอธิศีลสิกขาศิกขาคือจิตยิ่งในกรรมฐานที่ตั้งไว้อธิศีลสิกขาสิกขายิ่งในกรรมฐานที่ตั้งไว้ อธิกิตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งในกรรมาฐานที่ตั้งไว้อธิปัญญาสิกขาศิกขาคือปัญญายิ่งที่กรรมาฐานที่ตั้งไว้ไม่ต้องเคลื่อนที่ศีล ส, สมาธิปัญญารวมที่แห่งเดียวกันเดี๋ยวก็จะยกตัวศีลไปที่หนึ่งเดี๋ยวก็ยกตัวสมาธิไปเรียงไว้ที่หนึ่งเหมือนทหารเรียงซ้ายเรียงขวาอย่างนั้นไม่ถูกเอาเอาไว้ที่แห่งเดียวเลยจึงไม่สงสัยเราหายใจลมหายใจเข้าออกแล้วไปเราจะรเราจะไปทํา ให้มันสั้นก็ไม่ถูกเราจะไปทำให้มันยาวก็ไม่ถูกปล่อยให้มันอยู่ตามอิสระของมันเป็นเพียงเรารู้มันจะนั้นมันต้องการยาวก็ให้มันหายใจยาวแล้วต้องมันต้องการสั้นก็ให้มันหายใจสั้นเราจะไปทำมันเราจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยปล่อยให้มันหายใจตามธรรมดาของมันลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานเลิดในทางพุทธศาสนา พระบรมศาสด า, าสอนว่าศาสนราอื่นไม่มีลมหายใจเข้าออกมีแต่ศาสต า, า, าพุทธเท่านั้นกายกตาสติทิ้งพิจารณาพิจารณากายก็เหมือนกันมีแต่พระพุทธศาสานาเท่านั้นศาสตาอื่นไม่มีส่วนเมตตาพรหมวิหารก็ดีหรืออันอื่นก็มีกรรมฐานอื่นมีอุปพระกรรมฐานก็คือกายกรมก ร, ก ร, กรมฐานนั่นเองพิจารณากาให้เป็นอุปพระสุพัรณ ลมหายใจเข้าออกก็คือกายกรรมฐานอย่นเองเวทนาจิตตาธรรมานุพัสสนามีพร้อมถ้าพูดจเจริญลมหายใจเข้าออกแล้วก็บริบุญในสตัตย์พระธรรสี่ที่แรกก็พิจารณากายลมหายใจเข้าออกยาวสั้นเป็นกายสังขารเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาเนี่ยพิจารณากายลงสู่อ น, นัตตาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกพิจารณาเวีทนาคือสุขทุกข์เละไม่สุขไหมทุกข์ พื่อควบลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเวทนาอนุพัสนาพิจารณาจิตที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วพื่อมกับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าจิตตานุปัสนาพิจารณาทำอันไม่เที่ยงพื่อควบลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าธรรมานุปัสนาและทีประฐานสี่บริบูรณ์ด้วยอาณาปานสติอาณาปณานสติดึงกรรมฐานอะไรมาก็ไม่คัดก้อ ดึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตามาก็ไม่คัดข้อไม่ต้องการดึงก็ไม่คัดข้อแปดหมื่นที่พระธรรมขันธ์รวมลงอยู่พระอมกับรลมห้ใจเข้าออกเลยพูดเป็นสังขะพูดเป็นสังขะในไม่พูดเป็นคำพีกระจายพูดเป็นเอกานิบาตพูดเป็นเอกวัจนะไม่พูดเป็นพระหัววัจนะ ย่นลงมาเป็นเอกานิบาตในปัจจุบันสรรามาถานใดๆก็ตามถ้าไม่ลงมาในปัจจุบันมันก็ไม่ชัดพิจารณาทุกพความกลงังลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นปัจจุบันชัดมันก็ไม่ชัดทุกมีในปัจจุบันอันนี้จังก็มีในปัจจุบันอันตาจะไม่ใช่ตัวตนก็มีในปัจจุบันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็มีในปัจจุบันพความกำลัลงลมเข้าลมออกเป็น ไ, ไหวแต่เราไม่ต้องการเท่านั้น เราพิจารณาทําไมพิจารณาเพื่อไม่ให้มันหลงเดี๋ยวมันจงหลงยึดถือว่ากายเป็นเราเราเป็นกายเดี๋ยวมันจะยึดถือว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเดี๋ยวมันจะยึดถือว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตเดี๋ยวมันจะยึดถือว่าเราเป็นธรรมธรรมเป็นเราแม่ท่านก็บอกว่าดิฉันพิจารณาข้ามเวทนาไม่ได้เราสําคัญว่าเราเป็นเวทนาสําคัญว่าเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้ สำคัญว่ากายเป็นเราเราเป็นกายมันก็ข้ามกายไม่ได้สำคัญว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตมันข้ามจิตไม่ได้และมันก็มีอุปาทานอยู่นั่นเราภาวนาไปเห็นแสงเดือนแสงดาวอะไรต่ออะไรเราไปตื่นไปเต้นอันนั้นมันยังไกลอยู่นั่นเห็นอะไรก็ตามน้อมลงมาสู่ใตรับเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนได้แตกสลายมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็แปรปวนในที่นั้นก็แตกสลายในที่นั้ น, นเราเคยเห็นพร้อมกับลมให้กายเข้าออกแล้วก็หมดปัญหากัน นั่นมันเกิดขึ้นแปลโพนั่นอไปแล้วนะนั่นนึกขึ้นมาก็เป็นอดีตไปแล้วพูดออกมาก็เป็นอดีตไปแล้วนั่นคืออนิจจังอันละเอียดเมื่อมีอนิจจังอันละเอียดก็มีทุกอันละเอียดทั้พยุติอยู่ด้วยเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาก็ไม่ใช่ตัวตอนเราเขาสัตว์บุคคลอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในใจโรกธามันเป็นยาเสพติดถ้าเรามีกิเลสมากก็เป็นยาเสพติดมาก ถ้าเร า, เรามีกิเลสน้อยก็เป็นยาเสพติดน้อยถ้าเรามีไม่มีเช่ เ, เลยก็ไม่เป็นยาเสพติดนึกคิดยืนเดินนั่งนอนเป็นยาเสพติดถ้ามีเรามีเขาไปสัมพยุตอยู่ถ้าไม่มีเรามีเขาเป็นสัมพยุตมีเป็นแจกเชียเพียงว่าสักสังขารเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้เป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเราเขาในที่นั่นมันก็ไม่มีมันก็ทําลายไปในตัว มันก็ว่างไปในตัวถ้าเรารู้ตามเป็นจริงแล้วมันว่างไปในตัวมันถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็ไม่ว่างไม่ใช่ว่าว่างเราจะไปทำให้มันว่างเรารู้ตามเป็นจริงตอนไหนมันก็ว่างตอนนั้นเรารู้ตามเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล้ะมันก็ว่างถ้าเรายืนยันาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่มันก็ไม่ว่างถูกไหมดินเป็นทศว่าดินน้าเป็นทศว่าน้า ไฟเป็นแต่สักว่าไฟลมเป็นแต่สัว่าลมตายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตเป็นแต่สักว่าจิตทำเป็นแต่ักว่าทำผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาที่มันสร้างปัญหาอยู่มันก็เพราะว่าของกูของกูของกูอยู่นะถ้ามันมีไม่มีของกูแล้วมันก็ไม่สร้างปัญหาเนี่ยถ้าของกูมีของท่านผู้อื่นก็ต้องมีนี่ทำท่านลึกเนาะไม่ใช่ทําท่านตื่นเนาะ คำว่าเราก็จริงตามเราคำว่าไม่ใช่เราก็จริงตามไม่ใช่เรามันเป็นลึกมันมันเป็นธรรมลึกกว่ากันสริงไหนที่ถูกเขียนสิ่งนั้นก็ต้องถูกลบสิ่งไหนที่ถูกกินสิ่งนั้นก็ถูกถ่ายสิ่งไหนที่ถูกได้สิ่งนั้นก็ถูกเสียเพราะมันเป็นโลกส่วนพระนิพพานไม่ได้ยืนยันว่าได้ว่าเสียนะ่ะมันพูดสูงเกินไปกระมังเอา้าถามมาอีก ครับหลวงูครับผมขอเรียนถามนะมีบางคนนะครับชอบวิตกกังวลในเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างและก็ทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสุขนะฮะนี่จะทําอย่างไรจรึงจะขจัดความวิตกกังวลให้หมดไปได้จากจิตใจรพระบรรมศาสตรธรรมไม่ได้สอนให้ไม่ได้สอนให้งดในการงานสําหรับคาราวาอุทธาตาวินทเตทนาง<ม>ผู้มันย่อมหาทราบได้การ ง, งานที่บริสุทธิ์เราก็ต้องทําถ้าไม่ทําไม่ได้ เพราะชีวิตเนื่องด้วยการงานไม่เหมือนพระพระเราไปขอเขากินมันได้โยมไปขอเขากินเขาไม่ให้เนอะมันต้องทำวิียาปารมีสัมปโ น, โนคือความเพียรขันติปารมีสัมปโนอดทนต่อความเพียรของเราทั้งการงานเหมือนกันมุทข า, าวินทัเตชนังคนหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้มันในการงานที่ชอบไม่ใช่หมั่นเล่นเลียกเล่นผาเล่นบักเล่นเน บ, เนบอรมันในการภาวนาก็เป็น การมันในทางที่ชอบมันในการรักษาศีลภาวานาถึงว่าพุทธรรมพระสงฆ์ความมันนี้จริงความกว้างถึงการงานทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติด้วยเราจะไปเอาแต่อุดมคติวัตถุนิยมไม่เอาไม่ได้มันต้องเอามันไม่เหมือนพระพระขอเขาที่ไหนก็ได้พวกคุณไปขอเขาไม่ให้ถ้าไม่มีตังนั่นก็ต้องทําอย่าให้ถือเป็นกังวลเกินไป แต่ว่าเมืองพอไม่มีก็ไม่ถูกมีพอกินพอใช้แล้วก็ยอดก็อยากตะลีตะลานมากมีล่านแล้วก็อยากมีสี่ล่าห้าล้า น, านพันล้านแสนล้านโกรดล่าแล้วเขไม่ไหวอะไรอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเขาไม่สันโดษเมืองพอไม่มีมีพอกินพอใช้แล้วเราก็ต้องห้ามเบิกห้ามร่ำบ้างเราก็ต้องสนใจในธรรมะให้หนักไปในธรรมะมากกว่า วัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอ น, นิจจังเราก็ต้องรู้ธรรมจริงของมันซะได้มาในทางที่ชอบเราก็ไม่ ไ, ไปชอบไปโกงใครอันนั้นเราก็ใช้สะดวกถ้าได้ามาในทางที่ไม่ชอบจะได้เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็เรียกว่าได้ของที่ไม่ชอบเรียกว่าได้ไฟมาไม่จ้ของเดี๋ยวก็เดือดร้อน สิ่งนันที่ได้มาแล้วเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ควรเอาสิงนั้นไม่ควรสงสัยหาสิ่งนั้นที่ได้มาแล้วไม่เดือดร้อนสิ่งนั้นก็จงเป็นมงคลเราไม่ชอบโกงใครเราแบ่งเวลาออกดูเราทำงานเราวก็ภาวนาได้อยู่เหมือนกันสัมมากัมมันโตการงานชอบคือเว้นจากกายทุดจริตสามสัมมาวายาโมเลี้ยงชีวิตชอบ คือเว้นจ า, เ า, ากเลี่ยงชีวิตในทางที่ผิดอภัยมุขเลี่ยงชีวิตในทางที่ผิดเนอะนัดสำมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานเจ้าสี่ที่ย่นลงเป็นสองเมียตายกับใจอ่ะประลบอีกทีนี้ประลบอะไรอีกประลบให้มันคุ้มค่าที่ปีนขึ้นภูซิภ <c oughs> ูเขาข้ามยากภูเราก็ข้ามยาก ข้ามภูเขาด้วยเครื่องยนต์กลไกก็ข้ามไม่ได้ข้ามภูเราด้วยเครื่องยนต์กลไกก็ข้ามไม่ได้ข้ามภูเขาภูเราด้วยอนัตตาธรรมด้วยพระปัญญาถ้าข้ามภูเขาภูเราแล้วเราก็ไม่มีชาติไม่พบอีกอุปทานทั้งพวงก็แต่กระจุนธรรมฐานทั้งหลายมันรวมอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมรวม เช็ดความแก่ความเก็บความตายอย่างนี้มันก็รวมอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมรวมให้มันมันไม่ลงธรรมะเรียกว่ามันรวมอยู่แก่เก็บตายมันก็รวมอยู่รวมหายใจเข้าออกมันก็จริงอยู่ไม่มีกาลองอื่นแต่เราไม่ยอมรวมให้มันไปฝืนมันครับชาิหน้าเป็จริงรึ่าวโอ้พราบรมสาราาาาด h a r ไม่ทรงพยากรณ์พรุ่งนี้มีมไหม พรุ่งนี้ก็มีวานนี่มีไหมมีแต่มันล่วงไปแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีแต่มันไม่ยังไม่มาถึงมันมีอยู่ชาติหน้ามีจริงปัจจุบันชาติไม่มีอติชาติก็ต้องมีอนาคตชาติก็ต้องมีพราเรามาศาสตราไม่พยากรณแต่ว่าเราพยากรณชาติหน้าก็ต้องมีปัจจุบันชาติก็ต้องมีผู้ถามหาชาติหน้าผู้นั่นก็เอาชาติหน้ามาถาม ผู้ตอบก็เอาชาติหน้ามาตอบอยา่างนั้นกันอันเดียวกันถ้ามีกิเลสอยู่ก็ต้องมีสิชาติหน้าถ้าไม่มีกิเลสอยู่ก็ไม่มีแต่ว่าทรัพย์อื่นมีอยู่ผู้ ผ, ผ, ผ, ผู้อื่นมีอยู่ชาติหน้าถ้าหากว่าเราพ้นทุกแล้วชาติหน้าก็ไม่มีถ้าเราไม่พ้นทุกยังมีกิเลสอยู่ชาติหน้าก็ต้องมีเพราะเรายังไม่พ้นจากกิเลสก็ต้องมีอยู่ชาติหน้าถ้าเราพน้นแล้วก็ไม่มีชาติหน้าตอบแบบนี้เพื่อเข้้าใหให้เข้าใจง่าย อะไรพาไปเป็นชาติหน้าเพราะโรกปดหลงนั่นเอ ง, เองพาไปเป็นชาติหน้าถ้าโรคกวดหลงไม่มีเราก็ไม่มีชาติหน้าถ้าโรคปวดหลงของเรามีอยู่เราก็ต้องมีชาติหน้าพุทธค่ะ ต, ต, ต, ต, ตายแล้วไปไหนตายเออตายแล้วไปไหนไปตามกรรมและผลของกรรมแต่ละท่านละท่านเวลาจะตายไปเห็นแสงไฟไม่ใช่แสงไฟเพียนกระสิน เวลาใกล้จะตายไปเห็นแสงไฟกำลังเห็นธานไฟก็ดีแดงแล้วก็อยู่ก็ดีไม่ใช่เราเพ่งกสิณเพ่งกสิณเป็นแบบนี้ไม่ได้เพ่งแต่มันบังบรรดาลให้เห็นในเวลาใกล้จะตายตายในเวลานั้นยังไม่ได้พลิกจิตไปทางอื่นก็ไปตกนรกหมดกรรมมานั้นนานเท่าไรก็แล้วแต่กรรมจะพาไปจึงจะได้มาเกิดจึงจะพ้นเวลาใกล้จะตาย ปรากฏไปเห็นหนทางเห็นป่าไม้เห็นหนทางเห็นภูเขาเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นชักตายเวลานั้นยังมาทันพิกจิตไปทางอื่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานในเวลาใกล้จะตายไปเห็นคันมานรดาแต่ยังไม่ได้ทําพิจิตไปทางอื่นแล้วก็สิ้นลมป่าในคันนั้นก็ไปเกิดในคันมานรดา เวลาใกล้จะตายไปเห็นวิมานไปเห็นเทวบุตรเทวดาแล้วยังไม่ทันพิจิตไปทางอื่นแล้วก็ทิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเวลาใกล้จะตายพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แต่ยังไม่มียาณว่าเบื่อหน่ายก็ไปเกิดในภพมรโลกมีอายุยืนอยู่ร้อยโกรดกับเวลาใกล้จะตาย ส่วนพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นเวลาขาจะตายไปเห็นร่างกายของตนเองขณะคิตหนึ่งแล้วก็ไม่ติดข้องอยู่ทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู้ด้วยไม่ติดข้องอยู่ในที่ใดๆด้วยไม่ําคัญตัวอยู่ในกรรมฐานใดๆด้วยไม่อยู่ในรูปด้วยไม่ดูในอารูปด้วยไม่ได้เพ่งอะไรติดด้วยเป็นตาสักว่ารูปเป็นตาสักว่าเห็นไม่ติดอยู่ในที่อันใดด้วยผู้นั้นเข้าสู่พระเดีพภานฝ่ายซัก ไม่ได้กลมาอีกนะเพราะไม่ติดอยู่ในผู้รู้พ่อไม่ติดอยู่ในผู้ไม่รู้ไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิน้นเพราะไม่วิญญาณไปที่สนเท้ของท่านไม่ได้ตั้งวิญญาณทิกิตทิกิตทิติจินมันดับไปแล้วมันก็เข้าสู่พราพนานไปซะอั น, นท่านบอกไว้เลยโหนเอกเพราะบรมสาสดาอะไรเอกซ์นี่ยก็ผู้บันเะทิงนะนก็ยังไม่ตัง้งอ่ะฮะผบันเทิงตายเลย ถ้าหากว่าเป็นพระสวสดาวันท่านก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยถ้ายังไม่ถึงพระสวสดาวันมันก็เป็นปัญหาถ้าถึงพระสวสดาวันแล้วอันนี้หมายหมายความว่ายังไม่ถึงพระสวสดาวันเน้อเนี่ยถ้าถึงพระสวสดาวันแล้วมันก็ไม่ไปสุคติมันก็ไปไม่ไม่ไปทุคติถ้าถึงสักคาคามีแล้วก็ไม่ไปทุคติเหมือนกัน ถ้าถึงพระอนาคามีแล้วก็ไม่ไปทุกขติเหมือนกันถ้าถึงพระรหัสแล้วก็ต้องเข้าสู่เข น, นิพพานถ้าถึงพระอนาคามีในเวลาที่มีชีวิตยอยู่นั้นมันก็ไปอวิหาอัตตาสุสสาสุสีให้กันนิตกาเพราะพระอนาคามีมีล้ายจาพวกแต่ไม่มีห้าจำพวกก็จริงแต่และจําพวกก็ต้องมีตัง้งร้อยๆตัง้งโกฏิพระโสณาบันมีสามจำพวกก็จริงแต่ว่าจําพวกก็ แต่ละจําพวกก็ต้องมีตั้งรันรานทีเดียวพระทัชกาคามีมีจำพวกเดียวก็จริงแต่ละจําพวกก็ต้องมีตั้งรันราดแต่ก็มีตั้งรานรานทีนี้พระหัต์มีสีจําพวกก็ดีสุขกกวิปัสโกเตวิโชชละเพินโนปิสัมพิทัพโตก็ดีแต่ละจําพวกก็มีตั้งรานรานเหมือนกันถึงอย่างนั้นก็เท่ากับขนโขเท่ากับเขาโคส่วนค้นโขไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ ถ้าเ ร, รมามาซาสดามาแต่ละยุคละยุคก็เท่ากับเทศนาเอาได้เท่ากับเขาโคส่วนค้นโคไม่ได้อะไรเ อ, อกใช่ไหมี่หลวงปู่บอกว่าคนที่ใกล้จะตายจะมองหนถ้ามองเห็นิงไมง่มานะจะจะเป็นเทวดาถูอยากทราบว่านี่หมายหมายความว่าพุทุช น, นอยากทราบว่าเทวดาที่หลวงปู่พูดในหมายอะไรแล้วก็ถึงนตะิดอยู่ที่ไหน ก็ไปตามกรรมของเจ้าขอพวกเทวดานี่มีอยู่ชั้นจาตูมหาราชก็มีมีอยู่ตามต้นไม้ภูเขาก็มีลูกขะเทวดาก็มีอแต่ว่าลุกขะเทวดาไม่ได้ไปหรอกเพราะมองเห็นวิมานเลยคก็ไปตาวติงสายามาดุสิตนิ ม, มานวตวัตีพระนิมมิแตวัดว่าสวัสดีชั้นใดชั้นหนึ่งให้ได้ ส่วนผมเมพื่อไปสักษาผมปรหภินานั่นพวกนั้นตายคาภาวนาพวกนั้นตายคาภาวนาพวกนั้นเพราะมเป็นศักษาได้ไปสมทานเพมปโรหภินามหาพรหาได้ไปสมทานอย่างสามันอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไปเกิดในที่นี้เพมปโรหภินามหาผมมหมาปโรหิตยานได้ทุติยาน อย่างสามัญอย่างกลางอย่างละเอียดพระมรัษยาพระมรรยตามหาพรมาปฏิตาปาเพระมรรษยาพระมรรยาพระมรรษยาพระมรรยตามหาพรมาอันยิ่งปฐมฌานอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างสามัญมหาพรหมาปฏิตาภาอปมาธาภาตายคาทุติยะฌานอย่างสามัญบ้างอย่างกลางบ้างอย่างละเอียดบ้าง อปมานาภัสราปฏิฏฐะสุภาเป็นฌานชั้นที่สามอย่างกลางมากอย่างหยาบบ้างอย่ า, า ง, าางาละเอียดบ้างอาสัญญัตาเมฮัพพาจะทุตชาญอย่างกลางมากอย่ า, างหยาบมากอย่างละเอียดบ้างส่วนอวิหะอัตปาสุตสา ส, าสาุนั้นเป็นฌานของพระอานาคามี ส่วนพระรหันสมันเป็ น, ปนอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในชาติใดๆเลยพระรหัสมันไม่ได้ติดอยู่ในวิปัสนาใดๆเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะมันพ้นไปแล้วออ้หนูตากใด ไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้ศาสตาพุทธประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วมากกว่าร้อยโกดจะมาในข้างหน้าก็มากกว่าร้อยโกดแต่ล่วงไปแล้วก็อาศงไขยอาศงไขกลับแล้วถ้านับเป็นกลับก็อสศงไขอสงไขจะมาในข้างหน้าก็อาศงไขยอสศงไขกลับเหมือนกันศาสตราพุทธประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลย ฮะว่าไงม่อยู่ตลาดไปไม่อยู่ตลาดไปไ ม, ไม่อยู่ตลาดไปแม่ขาดเลยเป็นศาสนาที่หนึ่งด้วยทําไมจึงมีผู้กล่าวว่าพุทธะทํานายหมายถึง พ, พุทธจ้ารรนายไว้ว่าศาสนาพุทธเจ้าธในโลกนี้ห้าพันปีเอออันนั้นหมายความว่าเป็นยุคเป็นยุเคเฉยเฉยหรอ น, นจะมีผู้ปฏิบัติอยู่ห้าพันปีนอกนั่นก็ไม่มีผู้ปฏิบัติ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนาพุก็มีพวกอยู่พรมโลกก็มีอยู่นั่นแต่ไม่มีในมนุษย์โลกสิ้นกลับแล้วก็ยังมีพวกอยู่ในพรมโลกมีอยู่นี่หมายความว่าแต่ศาสนายังอยู่คนไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็เลยเสื่อมออกหนีจากพระพุทธศาสนาไอ้ที่แท้ศาสนาพุทธมีคําสอนอันเดียวกันทุกยุคทุกสมัยอยู่นี่ยังอีกสิยาเมตตยจะมาในกลับนี่ ทับนี่ก็ตุสันโธออกัสกุสันโธมาก็โกนาคมาโนะแล้วก็กักชปชโปแล้วก็โคธมูยังสีเอียริเมตไตโย อ, อีกจะมาเนี่ยหมดผู้ปฏิบัติาศาสนาพรีเมตเตยจริงจะเป็นศุญย ก, กับไฟจะไม่รบหมดนะแต่ผู้ที่เสวยธมารโลกเขาก็นี้ไปหนีไปอยู่ที่พมารโลกเขาก็อยู่ที่นั่นะไฟไม่ไห ม, ม้ถึงพมารโลก พมโลกท่านสูงไป ไ, ไม่ไม่ถึงฮึมนุษย์โลกไมามีมนุษย์โลกไมามีสัตว์ที่มีชาญมียานเขาก็ไปอยู่จั ก, กรวาลอื่นถ้าบรมศรราสราทรงพระนามวโลกก็าไปถูกแปลว่ารุแจ้งโลกมัดไม่ได้สงสัยที่นี่พวกนี้จะไปไหนพวกนี้จะไปทางไหน จะกลับโคราชหรือพ่กนี้ฮะไปไปนอนในะ่ไปนอน ก, นกไปรุงเทพพวกพวกนี้ออกออกจากวัดน้อยจะไปไหนไปไปกรุงเทพไปจังหวัดนนท์นพ่งนี้มากี่วันแล้วเนี่ยมาซักวัะะนนี้นะอืาอามนนาะมะออภาวนาไปน ะ, ะมีผู้านะ่ เดี๋ยวมันถามว่ า, าทำอย่างไรจะไม่กลัวคนทำรายไอนี่พวกไอ้ไม้จิตระแวงกัวคนทำอะไร ม, ไมีมีวิธีโยนี่สีทุกตนหน้าจงเป็นสุขในพุธทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินไม่มีใครทำร้ายหรอกขอเป็นวิตเป็นศัายอยู่ทุกเมื่อขอปราชญ์จักเวียนไทยอยู่ทุกเมื่อโยนี่สี่ทุกตนหน้าจงเป็นสุขในพุธทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินพ่อความลมหายใจเข้าออก ก็ไม่มีใครทําอันตรายหรอกโยนี่สีผู้เกิดในคันในไข่นในเท่าในไข่แล้วเกิดพุทขึ้นจงมันถุกในพุทธธรรมส่งอยู่ทุกเมื่อเธอบุญกรรมติดต่ออยู่ให้หลับคากันไม่มีอันตรายหรอกเขาปรัถนาห้เขาเป็นสุขถูกแผ่เมตตาแผ่เมตตาจนลงถึงอนัตตาธรรมถ้าบารมีศาสตราแผ่เมตตาถึงชา้าเออ เธอจะมาเบียดเบียนเราเราแผ่เมตตาถึงเธอเกรงว่าเธอจะเบียดเบียนเราเกรงว่าเธอจะได้รับทุกข์ถ้าตัวนั่นก็หน้าตาไหลเลยนะแผ่เมตตาถึงทอทั้งใตโรโลกทานเลยนอนก็ไม่ฝันร้ายเป็นมงคลดีนอนก็หลับดีถึงจะหลับถึงจะไม่หลับก็ไม่เหนื่อยมากถึงจะหลับ ก็เป็นมงคลดีอันตรายไม่มีหรอกเพรเมตตาเลยเราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงทั้งทั้งไตโร ก, กับท่านจงเป็นสุขในพุทธคำสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดปฏิกรรมอย่างนั้นก็ถูกไม่ต้องว่าสเพสตาที่ตาหุนาาาห่นตัวสเพสตาเวลาหุ่นตัวเราไม่ต้องพูดอย่างนั้นก็ได้เอาภาษาไทยล้วนๆนี่เองมันจริงชัดถ้าเราแปลไม่ได้มันก็ แค่เจ้าขายกิข้าวเาอากล้วยมันไม่ไม่ไมหดูดโยนี้สิ่งที่วิญญาณคล้องสิงทั้งทั้งใจโลกธาตุจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงศ์อยู่ทุกนาถุ่นะสุขในพุทธธรรมสงศ์เป็นสุข ก, ก้าวหน้าสุขในพุทธธรรมสงศ์คือสุขในพ ร, al, ส transfer, สนนระสวัสดาวันสักคาคาเมียนาคาเมียพันธ์แล้วอวยชัยให้พรเป็นสุขในพุทธธรรมสงศ์เราไม่ได้เราไม่ได้หมายว่าเรามีอําน า, าจวาษนาจับแผลให้ผู้อื่นเป็นความสุขจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงศ์เราอาศัยพุทธธรรมสงศ์มาแพล่เนาะ ไม่ใช่ว่าอำนาจลักษณะของเราไปแพ้จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถือนเราดียังไงจึงจะให้ปเป็นผู้อือน่นสุขแล้วก็เอาพุทธธรรมสงออกมาอ้างจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเทืนนะักเราก็มีปัญญาสิอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวณใน่ไพอนัตนาอนัตตาจิตที่ไม่มีเวณใน่ัยอานัตตาธาตุที่ไม่มีเวณไม่มีเวณใน่ไพ่แล้วก็แพ่ลงจนถึงอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมอนัตตาขันต์ก็ถูกเหมือนกันนัก เขาเข้ารู้สึกอะไรเราไม่จำเขาเข้าแผลเหมือนกันนะพูดดอีกยังไม่เข้าใจคำพูดว่าไม่ไม่ว่าแมาครแต่ว่าคนที่แผลเมตาบริสุท์กัละกเราก็เราก็แผได้เหมือนกันเขาไม่รับก็ตามเขาไม่รับก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่รับก็ตามเป็นเรื่องของเราที่ไม่มีเวรไีภัยเขาจะ อีมือมาก็ตามเราไม่เอาเนี่รับมันก็ไม่เปลียน <c oughs> เออทั่วทั้งไตยโลกธาตุเลยสรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณขอบสิงก็มันมันไม่รู้เอหนุ่ยเอหนี่เหมือนกันแหะเราแผ่ให้เขาเป็นหน้าที่ฝนตกมันก็ต้องตกเมื่อฝนตกลงมาแผ่นดินก็ชุ่มเ <c oughs> มตตันจะสะะัพฟโรคัทเซียงมานะสัมภาวเยียปณิมานังทั่วทั้งไตยโลกธาตุเลยเคร่องเืองบนเ บ, อ ง, เบองต่ำเบิงขวางสถานสถานกลาร แผ่เมตตาสบายคิดสบายมากคิดเป็นสมาธิง่ายเหมือนกันแผ่เมตตาโยนี้สีทุกท่านหน้าผู้เกิดในคันในไข่ในเข้าในไข่ได้เกิดพุดขึ้นจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมน้าเทินสิ่งที่มีวิญญาณคล่องสิงทั้งทั้งใจโลกาจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมน้าเทินเราแผ่อย่างนั้นเราอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเมื่อเดชคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นสุขทุกท่านหน้าทอดทั้งใจโลกาอยู่ทุกมน้าเทินแผ่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน วาติกัมติด ต, ต่ออยู่จนลี่นแม่กระดูกไม่นักอีกซะ ด, ด้วยโกรธก็ไม่โกรธง่ายเนอะที่เราไปมองดูคนนั้นคนนี้น่าเกลียดหน้าโกรธเพราะเราไม่แผ่เมตตาเราแผ่เมตตาเราก็ไม่โกรธที่เราชอบโกรธไม่ถูกกับท่าคนนั้นไม่ถูกกับนิสัยของข้าคนนี้ไม่ถูกกับนิสัยของข้าก็เพราะเราไม่แผ่เมตตานักถูกไหมมองเห็นแล้วหน้าเกลียดแค่เกินนะ ก็เพราะเราไม่แผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาล้วแต่กระเจิงหมดเรารักชีวิตของเราไหมเรารักชีวิตของเรามีผู้มาทำร้ายแกเราเราเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบสักอื่นก็เหมือนกันเราเอาเราเป็นพยานเช่นก่อนถ้าเราเอาเราเป็นพยานแล้วเราก็แผ่เมตตาใช่นี้ถ้าเราไม่เอาเราเป็นพยานเราแผ่เมตตาเขาค่ายคำว่าพายเรือต้อนน้ำไหลมันไม่ไป <laughs> หลวงปู่มันจะทิงเน้อแผ่เมตตาแผ่ยอยู่ถ้าไม่แผ่เมตตาหลวงปู่อยู่นี่ไม่ได้ถึงสามสิ้าปีดอกอันตรายสารพัดล่ะกุสลทุบุญที่ข้าพาเจ้าเนี่ยทำแล้วนะพบก่อนก็ดีในปัจจุบันนี่ก็ดีลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีข้าพาเจ้าจะอุทิศให้ปวงโลกทั้งสิ้นทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเขาจะได้รับหรือไมไร่รับก็ตามเป็นหน้าที่เราจะให้เอ่อ โยนี่สีทุกท่านหน้าจงได้รับกุศลผลบุญที่เราได้สร้างไหวนะเพราะก่อนๆ ก, ก็ดีและลึกได้ไม่ได้ก็ดีข้าพระเจ้าขอเป็นมิตรเป็นสหายเพื่อสรา้างใจโรกทาตอยู่ทุกว่นไม่มีประมาณนั่นเถนะิดและลึกได้ไม่ได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดอย่าได้มีเวในไพ่แขกันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเนอันนี้ก็ถูกเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของเราเนา ไม่หาแต่ว่าสเปสตาสุกิตาหุ่นตัสเพสตาเวลาหุ่ตัวเพสตาปัาหุ่นตัวเพสตาเนื้าหุ่นตัวเพสตาทุคีอตนาปัญารมีสเพสตาสเปสตาประมูลจันตุสเพสตาสเปสตาสเปิติดโตมาวิคัตจันติสเปสตาอมัสกากรรมราญาดากรมโยนิกรรมวัตถุกรรมวัตติสรณะยังกรมังคสรเมกัญญาณวาปังกังวะตัศรายาาเวชสั้นติตัศรายาโดภเวชสั้นติเราไม่หาว่าอย่างนั้นหรอกทุกทัศมาทุกทงรอกายจงเป็นสุข ไม่พุทธังสงอยู่ทุกมืเทินกุศน์พ้วุนอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วได้สร้างแล้วก็ดียังจะสร้างไมข้างหน้าก็ดีหรือจะทำแล้วมาในพบก่อนก็ดีขอท่านทั้งหลายทุกตนหน้าจงในรับส่วนกุศลของข้าพเจ้าทุกตนหน้าอยู่โดยทุกมืเอถือขอพระเจ้าจารย์เป็นไทยอยู่โดยทุกเมืมันก็ขึ้นอยู่กับโวหารของเราความฉลาดของเราดอกกันเนี่ยเข้าใจนะทีนี้อืมอุบายใดเราจะไม่มีเวรไม่มีใครกับผู้ใดเราก็ต้องทําสิ ผู้จเจริญเมตตายืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่รับเพียงใดก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นเอตังสติงอาทิตถิยะธรรมมีตังวิหาดังอิธมาอูดิทิน่นจอนุปคฆะที่ละว่าดัตเทระสัมพนโนผู้นั้นเห็นชอบแล้วตามเยสุวิเนยะเยทางนะหชาตุขพัทเธยังปุนาเรตีติผู้นั้นจักไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวผู้จเจริญเมตตา ดับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่เห็นลามกันชั่วร้ายตายก็ไม่ได้ตายโหงไม่ได้ตายด้วยเขี้ยวไม่ได้ตายด้วยงาไม่ได้ตายด้วยฉาตราอาวุธตกน้ํำไฟไหม้ลมพัดทอดโดยใจความก็คือไม่ได้ตายโหงเพราะเจริญเมตตามีมิตรมีสหาย เขานึกจะฆ่าจะแกงเราอย่างนี่กระแสอันนี้มันประหาเขาแล้วมันก็มาฆ่าไม่ไม่มาหรอกเพราะเราไม่ตอบเขาแผ่เมตตาทิศถินจะอนุปครมมาศีต่ว่าผู้นั่นเป็นผู้มีศีล น, นักเซนสัมปันโนเป็นผู้เห็นชอบแล้วกาเมีสวิเนยะเยทางนะหิชาตุคขปเสยังพุนาเรตีติย่อมไม่มาเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียว เข้าสู่พระเนี่พาในพรมโลกไม่ได้ลงมาพวกเนี้ไม่ได้มาเกิดอีกไม่ได้เกิดในครันอีกไม่ได้ลงมาแล้วพวกเนี่ยพวกตายคาเมตตานี่ยพระเมตตาในทางพุทธศาสนาจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงศ์อยู่ทุกเมื่อหมายความว่าเราเมตตาในธรรมธรรมพุทธศาสนาแต่เมตตาในทางฤาษีลงมาเกิดอีกเนอพวกฤาษีต้องมาเกิดอีกเมตตาในทางพุทธศาสนาไม่ลงมาเกิดอีก ข้าพเจยังพุทธาลีเติ่ยกรรดียมเตศสูตรมันมีอยู่สูตรของเมตตาจะกลับหรือทนี่เอาอะไรหรือที่นี่เอาอะไรหรมีผู้สงสัยเขาสักอมีผู้สงสัยให้วาถามว่าถ้ามนุษย์ทุกทุกนาไม่เป็นว่าจะเป็นก์พว่าจะลีก็ได้ตปฏิบัติธรรมข่าแล้วคนจะมี นนัใมีสิดอกบัวสีเราก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอหน้าก็เสมอหน้าเต็มภูมิดอกใต้หน้ําก็ใต้หน้ําเต็มภูมิดอกบัวสีเราไม่มีแต่ข้างพุทธกาลเนอนะข้างนี้ก็มีอยู่ท่านเทียบดอกบัวสีเราในข้างพุทธกาลก่อนที่จะมาปลูสัตว์เออดอกจะบานก็มีดอกจะตูมก็มีดอกตูมก็มีดอกบานก็มีเอ ดอกตูเขค้ายๆครับว่ากำลังถึงพกำกลังจะถึงพัสดารันบอกดอกที่เกือบจะบานก็ค้ายๆครับรักษาคามีอนาคารมีดอกที่บานแล้วก็ค้ายกับพรอาหันดอกที่อยู่ใต้หน้าก่าเหมือนคนที่เถือไม่มีบาปไม่ีบุญนะคุก็ขอให้ขออนกูให้ทุณฟัง่นี้เราจะดนางกลับข้ินาบต่อ ให้ <laughs> พร อ, อีกอย่างนั้นเลยยะถาปริว่าภราปริปเรียนติสาขลังเอวเมวายตูทินังเมตาังอุีจิตังปิตังตุมาังคิมวัสมิจตุสเพปูเรียนตุสังขปากันโทพนโสยะถามณีโชติรโยะถาสพีติโยวัจันตทสัปปะตุโขสัพพโยสัพโรโขวินัสตุมาเตภวัตตุอันตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวา นะสีิสสานิจังวุทาปายญูจัปตาโรธรรมาวัจานติอายุวโนสุขังภาลังสิริทิติมติเตโชให้พรทั่วทั้งไ ต, ตยจักรวาลเลยมงคลจักรวาลสัพพุท ธ, ธาเป็นมงคลจักรวาล น, น้อยเนอะอันนี้มงคลจักรวาลใหญ่ทั่วทั้งไตโลกาธาเลยมงคลจักรวาล น, น้อยคือสัพพุท ธ, ธา มนกขคนจักรวาลใหญ่คือสิทธิมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปะฏิมิตาปุญญาธิการะัะสารพันธรายาวารณสมัตทัศพวโตัรตตสัมมาสัมพุทธะทุวัตเิงสมะหาโพิสัขนานุภาเวนะอชีติยานนภยัญชนะานุภาเวนะอัตุตระสตามางครานุภาเวนะชัพพนารสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะ ส public, ylum, ีนสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภะลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัตธรรมะขันธานุภาเวนะคุณแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์จตุราสีติสหัตธรรมะขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะนวโรกุตระเท่าเก้ามรรคสี่คนสี่เนพันหนึ่งด้วยอนุภพาพอนั้นขอจงเป็นถูกว่าอย่างนั้นหรอก นวโรกุรตระธมานุภาเวนะอัฏฐังชิกัมะคาณุภาเวน่ะอัฏาชิกัมะคาแปดฉลับคินยานุภาเวนฉลับคพนยาหกจจตุสัะยานานุภาเวนะอริยสัจสี่ทัพรลยานานุภาเวน่ะทศตลรยานสิบสัพยุตยานานุภาเวนะสัพยุตยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมตตาคุณาลนาวิตาเปียคขาอนุภาเวนะด้วยเมตตาคุณาลนเบียคขาของพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพาริตตานุภาเนสัพพาริตทั้งหลายทั้งสิบสองตำนานเจตูสะจายนาทัทพระยานาอนุภาสัพพุทธยานาอนุภาเมตตาคุณาลนาวิตาเปียกขาอนุภาเนสัพพาริศตาอนุภาเะตระตนัตยะสัลนาอนุภาเะ ตัหงสะโพกะโุปตะวะตุกะโตน้ำสุภายาสาปีเมนาสันตุสรรพอันตรายาปเมันตุสพสังกปตวหางสมฉันตุทีฆาโยตาตหงโหนตุนัตตวัสะชีเนสมงคีโกโหตุสัพพทาอากาสััตตะวะะภูเมคังคาห้าสมุทาอรักกา เทวตาทะาตุมให้อนุรักษขั้นตุพราะว่าัทัพประมังคลังนตัสะวตาสพทานุภาเย็นาสวที่พระวันตุเตพราะัทพประมังคลังนตัสะวตาสพมานุภาเย็าสวที่พวันตุเตพราะัทพประมังคลังนัสะปวตาสพัังคานุภาเะ็นาสวที่พระวันตุเตอยู่ทุกเมื่อเธอนี่ยนี่มดเท่านี้การให้พรในพระพุทธศาสนานี่ยมดเท่านี้ เรียกพระมงคลยักษวานใหญ่พมงคลจักษวานน้อยหรอกพระพุทธาเ น, านี่ยอืมไปภาวนาพุทโธไปเนอะวันนี้มีพี่น้องมามากหลวงปู่ไม่ได้พักเลยข่าวสุดด้วยครับ <c oughs> เออไปไม่เป็นไรดอกทําไมมาหาพระจะไปหาผีตัวไหน <c oughs> โยมไม่มาหาพระจะไปหาผีตัวไหนเเนี่ยออ เดี๋ยวเดี๋ยวยเดียใครท่านท่านผู้ใดเป็นพวกขับรถไม่ได้ขึ้นมาก็ตามบอกเขาให้เอาทางปลอดภัยอย่าเอาทางผึ่งผายเน้อค่อยไปเอาทางปลอดภัยเอาทางผึ่งผายไม่ดีครับรถเนี่ยอุบายอะไรมันปลอดภัยอุบายเอาอุบายนั่นแหละเอาภาวนาไปด้วยเอาพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นขี่รถด้วยเน้อ เอาพระพปทธธรรมาสองขึ้นอยู่หัวใจด้วยนั่นะถ้าเดี๋ยถ่ายรูปแล้วมากินข้าวก็ได้นะอยาดหย่คว้ยดไ่ววะเดี๋ยาดยเนี่ยไม่เอาหนังสือดอกหรือไม่เอาหนังสือดอกหรือไม่เอาหนังสือดอกหรือคืนมาเสียก่อน ไม่เอานังสือดอกหรือคืนมาเสียก่อนคืนมาเสียก่อนไว้ไว้ถ้าไปจากให้กันมือตัวไปแจกใ ก, กันไปใครไม่เคยเห็นดิ่งในทางศาสนาก็จงดูพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นดิ่งของชาวโลกลมพัดไม่ไกวไปไกวมาเลยดิ่งทางพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตวงของชาวโลกเป็นแววนสองทางเป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นดวงธรรมของชาวโลกถ้าชาวโลกไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งแล้วชาวโลกก็เป็นคนตาบอดหูหนวกตนคนไม่ไม่มีสิ่งเป็นเครื่องตัดสินหน้าวิตกหน้าวตกชาวโลกเพราะยุ่งเหยิงกัน ถึงแม้ว่าแผ่นดินมันมีต่ำไม่สูงไม่เสมอกันก็จริงแต่ว่ามันเกินไปซะอนละมานชาวโลกอนละมานเพราะอะไรเพราะเรื่องศาสนาะถ้าเรื่องศาสนาะไม่ลงเอยกันแล้วก็อุนละมานเรื่องรักทิศาสนามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจของมนุษย์จะถือผีถืออะไรก็ตามมันก็อยู่ที่หัวใจของมนุษย์ถึงจะมีสิ่งที่ขัดแย้งก็ตาม คนเดินช้ากว่าตามเดินเร็วกว่าตามก็ต้องไปทางเส้นเดียวกันมันจึงถูกถ้าเดินไปคนละทางจะเดินเร็วสักเพียงไหนก็าตามก็ต้องไปเจอหนามไปเจอเหวตกเหิวตายขาหักก็ตายตื่นตูมตูมทางนั่นตูมทางนีน้พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาเนี้ยนะที่เป็นโหนเอกในโลกคือพระพุทธศาสนา ทายไว้แล้วกรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนาเอามาขอนเพื่อนแล้วและบัญญัติกรรมและผลของกรรมถูกอีกเช่นด้วยบัญญัติบาปบุญคุณโทษก็ไม่เหนือพระพุทธศาสนาไปเลยเพราะพระบรมศาสน า, าเป็นาศาสดาเอกในโลกทุกยุคทุกสมัยด้วยทั้งม่มีกิลเลส ด, ด้วยทําไมชาวโลกยังไม่มองดูไปทุ่งเถียงเกี่ยงงอนกันทําไมในเรื่องดีเรื่องชั่ว ไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นแว่นดวงใจดวงธรรมแล้วการปกครองมันก็ยุ่งเหยิงอนมานนะถ้าเอาพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาประจำชาติแล้วประเทศไทยก็ไม่เป็นปัญหากันนี่มันไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นแว่นดวงใจดวงธรรมมันก็เป็นปัญหาสินันกผู้เลี้ยกิเลสก็ขึ้น